พุทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะท่านได้มาถึงช่วงเวลาของราย FM 106 ในก็จะมีพระอาจารย์ ดิฉันเองได้กราบเรียนถามท่านเรื่องอ่าพระว่าพระสงฆ์เนี่ยจะรับนิมนต์ที่โยมที อ่าดิฉันติดใจอีกเรื่องนึงที่บอกว่ามีเม็ดไม่เนี่ยก็คือหลังจากที่ได้ถามท่านว่าเอ๊ะถ้าพระสงฆ์ดิฉัน ก็หยิบงานที่ตัวเองต้องการน่ะเท่านั้นครับแต่ถามท่านท่านชอบชาหรือชอบกาแฟอ่าอันนี้ก็จะอ่าจะไม่พูดลักษณะนั้นแต่จะเรียก สัตว์มันมันเป็นหรือมันยังไงเค้าฆ่าเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางพระบางรูปก็จะมีความกังวลเอ่อคืออย่างๆอย่างแล้ว แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเมดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาหารมาเอ่อก็คงจะต้อง เมล็ดหมายจริงๆยังไงมีเมล็ดอยู่ในน้ําเหรอสมมุติดิฉันอ่าจะนําเอาน้ําอ่าเค้าเรียกอะไร เป็นอาหารนี่ก็คือ 2 ประเภทคือ 1 นี่ได้แน่นอนตลอด ที่อะไรนะคะเล็กกว่าลูกมะตูมที่ลูกมันเล็กกว่าลูกมะตูมอ๋อค่ะก็ว่างั้นน้ําแตง ทีนี้แต่แล้วพฤฒาชาบอกบอกแค่ว่าน้ําผลไม้โดยๆไปแต่เพราะฉะนั้นถ้าน้ําเสาวรสคุณก็ต้องกรองก่อนนี่ถ้ากรองแล้วมัน 1 ค่ะทีนี้ที่ 2 <อ>ก็ยังมี สิ่งที่เรียกว่าเป็นยาได้อะไรมีคุณสมบัติเป็นยานะเมล็ดของต้นไม้ <c oughs> ทีนี้อาการป่วยก็ที่พระเจ้าบัญญัติไว้นะมันเช่นเป็นโรคอะไรต่างๆจนหิวหรือการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะพวกนี้ก็เป็นโรคอย่างค่ะนะเป็นโรคหมดเพราะฉะนั้น นะถ้าพระพิจารณาในลักษณะนั้นนะค่ะเอ่อเจรจาประทานใบไม้อุ๊ยพระไม่ท่านอ่ะก็นี่คือประเด็นตรงที่ว่าไอ้สมุทรเฉากล้วย แต่ถ้าชามกินจนอิ่มแป้นี่ผิดละค่ะเป็นยาระงับความหิวแต่หมายความว่าค่ะทั้งค่ะประเด็น คุณก็พิจารณาหลายประทานไปแล้วพอมันดับไปแล้วแล้วคุณคุณก็ควรจะต้องหยุดเพราะคุณไม่ค่ะแต่ดิฉันจะไปอีกมุมนึงของ กี่อ่าลูกเป็นรากกาบหรือใช่ใช่ใช่ซึ่งอย่างงั้นมัมม่าไม่ใช่มัมม่ามันเป็นอ่าเป็นอาหารลูกดอกใบอือเพราะเออ มีอาหารสําเร็จรูปขายเยอะบางอย่างใช่ๆทีนี้ข้าวข้าวผสมอะไรบางทีผสมๆเพราะ ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็มีรายละเอียดอยู่เพียงเลยเออือๆอัน ซึ่งไม่เกิดบ่อยนักหรอกเพราะดิฉันก็ไม่เคย 5 นะคือเนยสายในคล้นน้ํา Oh, หรือว่าน้ําตาลนะพระกินกาแฟกาแฟนี่ไม่ใช่เป็นน้ําปานะนะอย่าไปเข้าใจผิดค่ะแต่เพราะน้ําปานะนี่กินเวลาที่ไม่ป่วย เวทนาในที่นี้สมมุติเวทนาเป็นง่วงนอนนั่งปฏิบัติธรรมแล้วใส่นมไม่ได้เอ่อนมเป็นอาหารค่ะ คอฟฟี่เมทนี่ส้มเสี่ยงพลาสติกนะมาว่าพลาสติกไม่ใช่ท่านค่ะอันเป็นคอฟฟี่เมทปลอมเดี๋ยวคนจะขวัญเสียไปค่ะอืม ค่ะแล้วเพื่อให้ศรัทธาของเราไม่สูญเปล่าโอ้ถวายไปแล้วทําไมพระไม่ฉันอาจจะเป็นพระ <c oughs> <c oughs> นะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโลกๆอ่ะค่ะอืมเอ่อซึ่งซึ่งตรง ถ้าบางคนคิดว่าบางคนคิดว่าเอ่อฉันจะดีใจก็ต่อเมื่อพระกินให้ ก็เห็นเพื่อนเค้าทําแบบอุเบกขาค่ะไม่ว่าไม่มองเลยอืมอันนี้เรียกว่าใช้อุเบกขาแล้วใช้ ตาเราต้องเห็นรูปเค้าเอาเข้าใส่ปากอันนี้เป็นกามนะไม่ไม่คืนเป็นภัสสะที่มามันไม่ใช่ศรัทธาที่เกิดขึ้นในจิตเออซึ่งศรัทธาเราอาศัยอะไรคือศรัทธาศรัทธาที่ กระบวนการให้จะต้องมาใช่ๆหลังให้เป็นกี่ว่าบางคนเนี่ยมีศรัทธาสูงนะคะอืมแต่โอกาสที่จะทําให้สําเร็จค่ะอืมแต่แต่ไปไม่ถึง ได้ได้อยู่นะใช่ๆค่ะอืมนั่นเป็นบุญเลยอืมอ่าอีตอนนั้นมันไม่ค่ะระวัง นี่คุณที่ค่ะค่ะทางฝั่งที่เคารพค่ะวันอาหารหรือว่าน้ําเครื่องดื่มกับพระสงฆ์ อาจจะชั้นของเราน้อยไม่ชั้นของเราได้ตั้งแต่ตอนที่เรามีศรัทธายิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมจากวัดม่าดอนไหศอกอุดรธานีนะคะดิฉัน เรารุ่งนี้ก็มาติดตามรับฟังกันใหม่ค่ะทุกเช้าของ